พุทธรัตสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะคําสอนของพระาศาสดาที่พระพุทโธงได้ตรัสเอาไว้แล้วก็ได้สืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะว่าเป็นอมตะธรรมนั้นเป็นคํากล่าวทักทายย้ำอีกครั้งนะคะพุทธวัตสวัสดีดิฉันสรนสินนักพงก็มาพร้อมกับรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว s อ็มรนะคะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้ครึ่ง โดยมีธรรมหาภัยบณ์อภิปุณโญจากวัดปาดรณหายโศกอุดรนธานีจะมาเป็นผู้ที่เปิดธรรมที่ถูกติดด้วยพระทวัจนะให้กับเราค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะอยากจะต้องอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ตระเตรียมกันอาไว้ล่วงหน้าว่ารายการนี้จะพิเศษที่ตอนต้นของรายการเราจะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เหมือนกับเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็คือว่าได้ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับการนำของพระอาจารย์ ซึ่งได้สอนการปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอตลอดเวลาเลยดิฉันทราบว่าเดือนนี้นมีถึงสามคอสอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรายละเอียดไปกล่าบเรียนถามท่านเมื่อได้มีโอกาสพบ ก, กับท่านแล้วนะคะตั้งใจกันให้ดีตอนนี้ดิฉันกาลังจะนําทุกท่านไปพบ ก, กับพระมหาภัยบุตรอภิปุณโวัดป่าดอนหายโศกแล้วค่ะกลับน้มัสมั่นกับท่านคะเชิญปอนในเรื่องของการปฏิบัติทุกวันเราก็จะเริ่มต้นกันด้วยการปฏิบัติ โดยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ตั้งสติเอาไว้ในวิธีการตั้งสติเราใช้ลมหายใจในลมหายใจที่เรามีอยู่ตลอดเวลาตอนนอนก็ไม่เว้นเขก็ออกน้ําก็ยังหายใจแต่กินข้าวก็หายใจด้วยเนี่ยใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี้ในในการตั้งจิตเอาไว้ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจที่จะสั้นจะยาวจะเร็วหรือจะช้าเราไม่ต้องแต่งลมนะให้มันสั้นมันยาวมันเร็วหรือมันช้าแต่ให้มันเป็นอย่างเป็นธรรมชาติ ในเวลาที่เรามาสังเกตนี้ก็คือเรารับรู้สัมผัสของลมหายใจได้ที่ไหนก็เอาจิกเราไปที่นั่นนตะ่ไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่ามันจะต้องอยู่ตำแหน่งกี่มิลลิเมตรเข้ามาจากปลายจมูกแตนะ่เอาแค่บริเวณที่เราพอจะรับรู้ได้นะซึ่งสัมผัสนี้บางคนก็แรงบ้างเบาบ้างค่อยบ้างแรงบ้างก็ไม่เท่ากันแตนะ่แต่เราคร่าวๆ ว, ว่าบริเวณนี้ที่สําคัญคือให้จิกเรามาอยู่ตรงนี้ให้ได้นะในเวลาที่ เราจริตขอเรามาตั้งไว้ที่นี่เนี่ยสติจะเกิดขึ้นทันทีในเวลาที่เราระลึกถึงชื่อคนบ้างระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในะความระลึกเนี่ยแทนที่เราจะไประลึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามาระลึกถึงลมหายใจในการนึกถึงลมหายใจให้คําว่าระลึกถึงนึกถึงในะภาษาที่พระเจ้ชาใช้ก็คือสตินั่นเองแต่นะการระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พุดแล้วแม้ น, นานได้ในะซึ่งเรื่องของสตินี้ก็เป็น หนึ่งในอินทรีย์ทางหน้าพระเจ้าได้เคยตรัส ก, กับท่านพระสารีบุตรเกี่ยวกับเรื่องอินทรีทางหน้าเอาไว้อย่างนี้ว่าสารีบุตรอริยาสาวกใดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเขาย่อมไม่สงสัยหรือลังเลนในตถาคตหรือในคําสอนของตถาคตเลยเธอผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้แล้ว พึงหวังข้อนี้สืบไปได้ว่าจะเป็นผู้ปราบรความเปลี่ยนเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความตึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเธอเป็นผู้มีสตาปราบรความเพี่ยนอยู่อย่างนี้แล้วพึงหวังข้อนี้สืบไปว่า จะเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเรื่องระวังรักษาอย่างยิ่งเป็นผู้ระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทำและคาที่พูดแล้วแมหนานได้เมื่อเธอเป็นผู้ที่มีสรัทธาปรารบความเปลี่ยนมีสติเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตมั่นคงโดยชอบแล้ว พึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเธอนั้นจะเป็นผู้กระทำได้แล้วซึ่งโวสขารมคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวจะได้ซึ่งความตั้งมั่นแห่งจิตและเมื่อเธอเป็นผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรมีสติเข้าไปตั้งไว้มีจิตตั้งมั่นโดยชอบพึงหวังข้อนี้สืบไปว่า จะเป็นผู้รู้ชติอย่างนี้ว่าสังสารวัตนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องปูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแต่เพราะมีความจางกลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชา อันเป็นกองแห่งความมืดเสียได้นั่นจึงเป็นบทที่สงบเป็นบทที่ประณีตกล่าวคือเป็นธรรมที่สงบระงับแห่งสังการทั้งปวงเป็นที่สลัดเกินซึ่งความยึดถือทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตระหนัเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานเถิดปุณณ์ผู้ที่ตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้ว ด้วยความเปลี่ยนด้วยอาการอย่างนี้ระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้รู้ชัดแล้วรู้ชัดแล้วด้วยปัญญาด้วยอาการอย่างนี้ญญนเขาย่อมเชื่ออย่างยิ่งอย่างนี้ว่าธรรมะเหล่าใด อันเป็นธรรมที่เราเคยฟังแล้วในการกร่อนในวันนี้เราถูกต้องธรรมะเหล่านั้นด้วยนามกายแล้วและแต่งตลอดธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาแล้วเห็นอยู่นี่คือเรื่องของอินทรีย์ทั้ง5ที่เป็นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสติ ท, ที่เราตั้งไว้ณขณะนี้นั่นเองจเพรานค่ทุกค่ะก็เท่ากับว่าถ้าเราเหมือนกับ มาเจริญสติคือมีจิตที่ระลึกรู้อยู่ที่อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเราจะสามารถระลึกถึงสิ่งที่ทําและคําพูดแม้นานได้ใช่ใช่ใช่ใชเป็นเบื้องต้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวในความตั้งมั่นแห่งจิตโวศักคารลมเนี่ยนะคะถูกต้องถูกต้องโวสักขารมสระโอวแวนสอสือแล้วก็จากนั้นจะเป็นผู้ที่มีปัญญา มีปัญญาใช่ค่ะ mm hmm. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์นิดนึงคําว่าอินซีเนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่นะซึ่งซึ่งหอย่างที่เราพูดถึงว่าอิ C, นทรีห้าอินทรีห้าที่เราเข้าใจว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันมันเป็นใหญ่ยังไงนะ น, นี่ก็คือหมายความว่าเป็นใหญ่ในการที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะมีกําลังมีพลังในการที่จะตรัสรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่จะตรัสรู้ได้เร็ว นั่นคือรู้ทําได้เร็วหรือรู้ทําได้ช้าเนี่ยอยู่ที่อินสี่ห้าตัวนี้นั่นคือสธาวิทยาสติสมาธิปัญญา น, นี่แหละว่าแก่กล้าหรือว่าอ่อนตรงนี้ค่ะก็อันเนี้ยดิฉันกําลังสงสัยในผลอันแรกที่ยกตัวอย่างมานะคะว่าจะตามระลึกได้ซึ่งสิ่งที่ทําและคําพูดแม้นานได้อันเนี้ยหมายถึงว่าเอ่อเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือเป็นลักษณะของ มีอิทธิฤทธิในการที่จะระลึกถึงอะไรก็ได้ที่ผ่านมาเนิ่นนานแล้วคะ่ะอ๋ออันนี้คือถ้าสมมุติว่านี่คืออธิบายคําว่าสตินะคําว่าสติ ค, คือการระลึกได้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายคําว่าสติเนี่ยก็คือการระลึกถึงสิ่งที่กระทําและคําที่พูดแล้วแม้นานได้อ๋อแล้วอะไรละ่ะที่สิ่งที่กระทําและคําที่พูดแล้วเช่นว่าถ้าเราระลึกถึงศีลของเราเนที่เราเคยทํามาแม้ชั้นทําดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นศีลานุสติเข้าใจไหม หรือคำ ค, อคำพูดเป็นสามามาจานี่ยังเป็นส่วนของศีลานุสติทีนี้เรากําลังพูดถึงอาณาปานาสติก็คือการระลึกถึงลมหายใจเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสติคือการระลึกถึงอาณาปาณะก็คือลมหายใจอา้าวเรามาระลึกถึงลมหายใจตรงนี้คืออาณาปานาสติใช้ใช้สัพ์ร่วมกันตรงนี้ค่ ะ, ะคหมายกับว่าด้วยวิธีนี้มีสติเราลึกอยู่กับลมหายใจใช่ ใช่มะก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีสติในการที่จะจดจําในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนานๆได้ถูกต้องเช่นว่าะ ค, ะคุณจะวางกุญแจเอาไว้แล้วไม่ลืมอย่างเงี้ยณนะตอนที่คุณทําถ้าคุณมีสติอยู่ตลอดเนี่ยมันจะจําได้ค่ะอดิอยังคิดว่าคนที่ฟังอยู่จํานวนมากทีเดียวนะคะที่อาจจะบอกอุ๊ยจริงเหรอเพราะว่าเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยดิฉันเนี่ยทั้วันนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้างนะคะ คือเหมือนกับสติเนี่ยบางคนบอกอาจจะง่ายแต่ถ้าไม่ฝึกจริงๆไม่ง่ายหรอกค่ะอืมแค่นึกว่าจะเดินไปอีกจุดหนึ่งเพื่อไปหยิบของสิ่งหนึ่งหลายครั้งที่เดินไปถึงตรงจุดนั้นแล้วเนี่เรามาทําไมอันอันต้องต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสติเนี่ยหมายถึงว่าการระลึกระลึกเนี่ยหมายถึงดึงออกมาอย่างเช่นว่า เรานึกถึงชื่อคนนะคือเราจําได้แล้วแต่ว่ามันออกมาไม่อ อ, ออกมาได้หรือไม่อย่างนี้อยู่ที่การระลึกแต่นี้มันก็ยังมีเหตุปัจจัยอยู่ถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องความจำํำความหมายของความจำเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนนะคุณโยมติว๋วนะคือการเขียนข้อมูลลงไปนะนนี้คือส่วนที่หนการเก็บข้อมูลเอาไว้นะและสามการดึงข้อมูลออกมาใชนะ้มี3ส่วนที่อันนี้คือพวกนักวิทยาศาสตร์นักที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบ ประสาทนิวรอน o ิชิเคเนี่ยเขาอธิบายไว้อย่างนี้นะมีอยู่3ส่วนคือการเขียนข้อมูลลงไปเพราะฉะนั้นคนที่จะความจำดีเนี่ยมันต้องมีทั้ง3ส่วนนี้ใช่ไหมส่วนที่เรากำลังพูดถึงสติเนี่ยคือส่วนที่3คือการดึงข้อมูลออกมาใช้ดึงข้อมู ล, ลมาใช้เพราะฉะนั้นเราอาจจะยังเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนาญในการปฏิบัติเนี่ยพออายุมากๆท่านเอ๊ะท่านกลับหลงลืมนะจำธรรมะไม่ได้หรือว่า ลืมเฮ้ยท่านเผลอสติหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแยกกัน2ส่วนคือส่วนที่เป็นความจำํำคือต้องมี3าประเด็นนะความจําคือเขียนข้อมูลลงไปเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วการดึงข้อมูลออกมาแต่สติเนี่ยคือแค่ส่วนที่3ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเผือว่าไอข้อมูลที่เราเก็บเอาไว้มันเลือนลางไปมันก็ไม่มีอะไรจะดึงออกมาได้ดึงออกน ะ, ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ว่าความจําทั้งหมดคือสติไม่ใช่ แต่สติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความจํามันมีองค์ประกอบอีกสองอย่างนั่นเองอืมค่ะดี๋ิยังคิดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะใช่นั่นแหละนั่นแหละคล้ายๆกันเลยนะคะเราต้องใส่ข้อมูลเข้าไปไปฝากเข้าไว้แล้ววันหนึ่งเราเรียกออกมามันก็จะออกถูกต้องอ่าก็ไอ้ระบบตรงนี้เหมือนกับฮาร์ดดิสเนี่ยนะที่เขียนข้อมูลลงไปนี่คือฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลเอาไว้แต่นปรากฏว่าถ้าฮาร์ดดิสคุณพังเนี่ยมันก็จะดึงออกมาไม่ได้ล่ะต่อให้คุณมีเครื่องดึงก็ตามก็จะดึงไม่ได้บนปังเนี่ยค่ะ และสำหรับคนที่เหนื่อยเหนื่อยใจฟุ้งซ่านอืก็ต้องมาในส่วนที่สองเลยที่บอกว่าจะมีโวตสัทธารมณ์ใช่นี่คือเรื่องของสมาธิค่ะสมาธิเนี่ยก็คือเป็นผลของสตินะถ้าคนได้มีสติแล้วจะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยนี่เป็นฐานานที่จะเป็นไปได้อืค่ะแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่บอกว่ามีอ่ามีสติ มีสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาถูกต้องงั้นใช่ไหมคะใช่ใช่กับกลับมาตั้งแต่ตอนต้นรายการที่คุณยมติวพูดถึงตั้งแต่คำแรกเลยว่าพุทธสวัสดีอย่างเงี้ย น, นั่นคือ ค, ความที่เรามีศรัทธาอยู่แล้วนั่นคุณถึงมาฟังรายการธรรมะเนี่ยคุณมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือศรัทธาที่อยู่ในอินสี่ห้าค่ะอ่แล้วเราพอมานั่งฟังปุ๊บเอ้ยงั้นฉันทําสมาธิดีกว่านั่นการทําสมาธิการคิดว่าฉันจะไปทําสมาธิเนี่ย กุศลเนี่ยมันก็เริ่มล อ, อ, อไปละกุศลเราก็เริ่มหาละใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นความเปลี่ยนเป็นอินทรีย์คือความเปลี่ยนของของเราเพราะฉะนั้นอันที่สองก็เกิดขึ้นตรงนี้เพราะคุณมีความศรัท ธ, ธาปุ๊บแหมฉันจะต้องทําอะไรบางอยา่างปฏิบัติแล้วกันนี่คือวายามะแล้วก็ได้สติ <Okay. S 1> ขึ้นมามีสมาธิมีปัญญาไล่ไปห้าอย่างนี้ค ะ, คะก็ท่องไว้นะคะอินทรีย์ห้าเริ่มต้นที่ศรัทธาพอศรัทธาปุ๊บเราจะเกิดมีความเพียร พอมีความเพียรเราก็จะทําให้สตินั้นเกิดขึ้นมาได้แล้วมีสติมากๆเข้าจะมีสมาธิพอมีสมาธิมากๆเข้าเราจะมีปัญญาปัญญาอะไรล่ะคะนันค ะ, ะปัญญาในการที่จะละในการที่จะวางนะปัญญาในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเอาทีละขั้นก่อนก่อนจะละวางได้เนี่ยคุณต้องปัญญาคือเห็นตามที่เป็นจริงก่อนนะเห็นตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ ไอไออินซี5อย่างเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยจะบรรลนะุหรือจะปล่อยวางได้เร็วหรือจะปล่อยวางได้ช้านะคือหลังจากปัญญาเนี่ย <Yeah. S 2> ก็จะเป็นการปล่อยวางถูกไหมทีนี้คุณจะปล่อยวางได้เร็ว <Yeah. S 2> หรือปล่อยวางได้ช้าเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าไอ้าตัวเนี่ยหอ่าพารามิเตอร์เนี่ยหตัวแปรเนี่ยคุณแก่กล้าหรือว่าอ่อนนะถ้าอ่อนมันก็จะไปถึงจุดที่ ปล่อยวางได้ช้านะถ้าแก่กล้าก็จะไปถึงจุดที่ปล่อยวางได้เร็วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้าใครที่อยากจะเป็นผู้ปล่อยวางได้เร็วจะต้องทําอินรีย์ทั้ง5อย่างเลยใช่ไหมคะใช่ ใ, ชให้แก่กล้าทั้งหมดถูกต้องให้ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นนะซึ่งซึ่งการทํางานของมันตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างเช่นบางที เรามีสมาธิมากเกินไปเอ้าสมาธิมากเกินไปเนี่ยจิตของเรามันจะน้อมไปเพื่อความเกียดกลั่นจิตมันจะน้อมไปเพื่อความเกียกาดเราก็าต้องเอาความเพี่ยนเนี่ยมาปรับความเพียนในการที่นี้น่หมายถึงว่าเราพิจารณาไข่ครวนเห็นตามที่เป็นจรงิงนะซึ่งถ้าแต่ถ้าความเพี่ยน ม, มากเกินไป ม, image, มันก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านก็ต้องเอาสมาธิมาปรับดัะน cool ั้นสมาธิกับความเพียนเนี่ยมันก็จะต้องปรับให้เสมอๆกันนี่คือคู่ที่1 ค, ค, ความเพียรมากเกินไปทําให้ฟุงฟ้งซ่านใช่เหมือนเราถ้าน้อยเกินไปทําให้เกียดคร้านถูกต้องน้อยเกินไปเกียดคร้านน้อยเกินไปก็จะคือสมาธิมันก็มากเกินไปก็จะเกียดคร้านใังริษนะัทสองอันนี้จะคู่กันอีก2คู่หนึ่งก็คือปัญญากับศรัทธาในศะรัทธาเนี่ยก็คือคุณ ม, มั่นใจเลยศรัทธาเต็มที่เต็มร้อยแต่ว่า มันก็ต้องมีปัญญากำกับไาห้ด้วยเสมอๆกันแล่วันนั้นศรัทธาปัญญาก็ต้องคู่กันไปนะถ้าปัญญามากไม่มีศรัทธามันก็ไปไม่ได้ศรัทนธะามากเกินไปปัญญาน้อยมันก็ไปผิดทางก็ต้องให้มันเสมอๆกันค่ะทีนที่พมพูดถึงศรัทธานะคะท่านคะเร น, นเองก็เพิ่งได้ยินมาสดๆร้อนๆจากเพื่อนคนหนึ่ง เ, เขาก็บอกว่าไม่ชอบที่จะทำบุญก็ไม่ศรัทธาพระ อบสธายากจริงๆพอพูดปุ๊บ ก, ก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็พูดสอดรับกันเลยบอกว่าคุณพ่อก็เหมือนกันท่านจะอชอบทำอะไรกับมนุษย์ธรรมดาช่วยเหมือนกับให้โน่นให้นี่คนที่เขายากไร้เดือดร้อนแต่ว่าสำหรับการจะไปทำบุญที่วัดเนี่ยถือเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตแทบจะไม่เคยทำได้ซ้ำเพราะมีความเชื่อไม่ศรัทธาในตัวพระค่ะ เอาศรัทธาในที่นี้พูดไปชัดเจนอยู่ก็คือการศรัทธาในการตรัสสรุปของพระพุทธเจ้าศรัทธาในที่ว่าจะเป็นอินทรีย์เนี่ยคือศรัทธาในการตรัสสรุปของพระพุทธเจ้าถ้าบอกว่าคุณยังมีความมั่นใจว่าการให้ทานเป็นสิ่งดีก็ก็ดีแล้วนั่นคือศรัทธาที่ที่คุณจะต้องมีแล้วคุณก็ทําไปอย่างคนที่ให้ทานในสมาคมนั้นสมาคมนี้เนี่ยการให้ทานตรงนั้นเป็นการทําความเพี่ยนอย่างหนึ่งนะเอาความตระหนีออกจากใจ ก็สละออกยังคิดว่าการให้ทานเป็นสิ่งดีซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการให้ทานมีผลเราก็ทำนะทำนั่นคือความเพียรอันนี้นี่คือส่วนหนึ่งฉะนถามว่าศรัทธาคือมันก็มีความมั่นใจขึ้นไปเป็นระดับระดับนะก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วนะพระธรรมละ่ะพระสงฆ์ล่ะเรื่องของศีลล่นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะเพิ่มเติมต่อขึ้นไปได้นะ คือคือเขามีตรงนั้นนะ่ะก็ในระดับหนึ่งทำให้ดีขึ้นไปก็สามารถทําได้อยู่สำหรับตัวที่ฉันเองเชื่อในลักษณะนี้นะคะออืว่าถ้าท่านชี้เห็นว่าศรัทธาที่ว่านี้เป็นการศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะสนใจในสิ่งที่พระพุทธองตรัสสอนไว้มากขึ้นแล้วเราก็จะเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เรากําลังสงสัยอยู่ก็คือสมมุตินะค ะ, ะที่ยกตัวอย่างไปว่าประสงค์เราก็จะได้รู้ว่า พระพุธองค์ก็ได้มีคำจำกัดความของประสงค์ในความหมายของท่านเอาไวใ้ใช่ใชดังนั้นเราก็จะได้สำแนกแยกแยะถูกว่าจะไปเหมารวมทั้งหมดเช่นนั้นไม่ได้ถูกถูกแต่ถ้าถ้าจะคิดอย่างนี้ก็คือดีก็คือเพิ่มสตางค์เราเนี่ยให้มันมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะใกล้เคียงกับสิ่งที่ควรจะเป็นมากขึ้นนั่นเองค่ะ ดังนั้นฉันก็จึงอยากกลับเรียนถามท่านนะคะว่าในความหมายของพระพุทธองค์พระสงฆ์ต้องเป็นอย่างไรคะสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อที่จะรู้ทําเป็นเครื่องออกจากทุกสงฆ์สาวกสาวกคือผู้ที่ทําตามคําสอนสาวกอาศเนี่ยคือผู้ทําตามคําสอนคําสอนของใครก็คือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคที่ทําตามคําสอน ข, ของพระพุทธเจ้าพระุทเจ้าเอาอะไรไมาให้คุณทําตามก็เรื่องวินัย เรื่องศีลศีลนะคุณทําตามศีลควบคุมกายควบคุมวาจาแตนะ่พระเจ้ายัางสอนเรื่องของธรรมะเอาการทําในจิตอันยิ่งแต่ประการสงที่เป็นในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยก็คือที่ปฏิบัตดิดีปฏิปัติชอบนะคือรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแตนะ่พวกนั้นเป็นเนื้อนาบุญด้วยยังทําบุญก็จะได้บุญมากด้วยการให้ทานค่ะและสําหรับคนที่อาจจะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เห็นว่ามีสงในลักษณะที่ ท่านบอกพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้การที่เลือกทําก็ทําตามขับสอนของพระศาสน า, า, า, าคือละความตระหนี่ถูกไหมคะใช่ใช่คือการะละความตระหนี่ก็เป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็รู้จักเรื่องนั้นน่ะบุญให้ดีเราก็จะได้บุญมากขึ้นน่นแหละค่ะเพราะการละความตระหนี่ในที่นี้หมายถึงอะไรในการที่จะก้าวหน้าในธรรมต่อๆไปครท่านคะหมายถึงว่าเราจะสามารถมันเป็นความเปลี่ยนทางจิตนะจิตเราก็จะค่อย คลายออกจากสิ่งที่มันจะทำให้เรายึดถือได้มากขึ้นนก็เป็นการทำความเปลี่ยนทางจิตที่ขึ้นขึ้นไปเหมือนกับเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเจนแต่ถ้าเราเข้าใจว่าคําสอนของพระศาสดานั้นเป็นไปเพื่อให้เราซึ่งตั้งแต่เกิดมาก็เรียนรู้ที่คิดว่าในการได้ไว้ดีกว่ายึดเอาไว้ดีกว่าการปล่อยนั้นได้ฝึกการปล่อยวางใช่ใช่ คลายความตรรนีะเป็นอีกเรื่องนี้ในเรื่องของอินทรีย์5เนี่ยตรงนี้มันจะมีความสวยงามอยู่ตรงจุดหนึ่ง<น>ก็คือว่าพอเราทำอินทรีย์5ได้เต็มที่แล้วเนี่ยสัทธาสีอวิรยะสติสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยพอเราได้ถึงปัญญาว่าโอ้ไอสังขารไม่เที่ยงนะอวิชชาเป็นอย่างนี้กองความมืดเราไม่เอานะัแล้วเราจะเกิดความมั่นใจมั่นใจตรงที่ว่าเราจะรู้ชัดเลยว่าโอ้ไอที่เรา ธรรมะที่เราเคยฟังมารู้มาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็เละพูดหลายๆท่านนะว่าแม้พ่อปฏิบัติไปถึงจุดที่ดีๆขั้นไล่ไปไล่ไปแล้วเนี่ยธรรมะที่เราเรียนมาอ่านตามหนังสือเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันนะคือจากที่สมองคุณจะเป็นรู้ที่ใจเลยมีความมั่นใจเต็มที่ว่าโอไอ้ที่คุณอ่านมาเรียนมารู้มามันเป็นอย่างนี้นะพอ ร, รู้อย่างนี้ปุ๊บมันจะมั่นใจมากคือตรงนี้คือศรัทธาที่ย้ำเข้าไปครั้งหนึ่งนะมันจะมาปิดตรงที่ศรัทธาตรงนี้ด้วย คือวันนี้เราก็ได้รู้ทฤษฎีนะคะดิฉันเองก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยที่ได้รู้เนี่ยคือทฤษฎีจริงๆว่าเมื่อมาถึงจุดที่เกิดปัญญารู้ว่าความไม่เที่ยงใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วและรู้ไปถึงใจจะแตกต่างจากการที่รู้จากทฤษฎีถูกไหมคะถูกต้องจะต่างกันมากเลยจะต่างกันมากนะคะแล้วก็รู้ได้ใช่ไหมคะสามารถทําได้ก็คือเราทําเป็นขั้นเป็นตอนไปตรงนี้พุทเจ้าจะใช้คําศัพท์ที่เรียกว่า รู้ถึงการที่เราบรรลุเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะคือไม่ใช่ว่ามันจะผงทีเดียวนะอย่างเราอ่านหนังสือบางเรื่องพูดถึงหลักการเรื่องของศีลแต่ถ้าคุณทําศีลได้ไปเรื่อยๆเออเรามีความปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นเราจะรู้อ๋อศีลมันดีอย่างนี้ไม่ร้อนใจเป็นอย่างนี้มันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปนะค่ะนั่นก็เท่ากับว่าท่านทั้งหลายที่กําลังฟังรายการวิทยุอยู่จะเกิดความมั่นใจได้ในลักษณะใดครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองเนี่ย สิ่งที่เราจะเกิดความมั่นใจได้เช่นว่าเวลาที่เราปฏิบัติตามสติอย่างนี้อย่างที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกแตมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราเออมีสติมั่นคงช่วงเวลาที่เราฟุ้งซ่านก็มีแต่ถ้าทําไปทําไปเนี่ยพอเราเห็นตรงที่ว่ามันมั่นคงมีเนี่ยเราจะมีความมั่นใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไตรงเนี้แหละที่ว่าจะเป็นความมั่นใจที่เพิ่มไปตรงจุดแรกมันจะวนลุปไปเรื่อยๆล้วก็จะค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มขึ้น สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกบุคคลไหมคะความมั่นใจนทุกบุคคลทุกวันก็เกิดขึ้นได้นะคืออันเนี้ยต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในวัฏจิตตัวเองด้วยเหมือนกันในการที่จะดูจิตเราเป็นยังไงยังไงด้วยนะค่ ะ, ะก็เท่ากับว่าถ้าอาจารย์ได้ให้ความมั่นใจในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ว่ายังไงก็ขอให้ปฏิบัติไปเถอะแล้วจะมีท่ามกลางความฟุ้งซ่านที่เกิดมีนั้นมันจะมีความมั่นใจเกิดมา ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเกิดได้และถ้าฝึกต่อไปอีกรับรองเกิดได้มากกว่านี้พูดอย่างนี้เลยได้ไหมคะตูวต้อเป็นขั้นเป็นตอนไปแน่นอนนะคะได้ความมั่นใจแล้วก็จะได้สบายใจที่จะลาจากรายการนี้ไปสำหรับวันนี้เพื่อที่จะไปลองฝึกปฏิบัติกันนะคะสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นแล้วก็กลับมาเสริมสร้างความมั่นใจจากการรู้ทา จากพระอาจารย์ซึ่งได้สอนการปฏิบัติอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะได้ฝึกฝนคําสอนของพระาศาสดาและมีประสบการณ์ทั้งกับจากของตัวท่านเองกับผู้ที่มาศึกษาเล่าเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยวันนี้ก็กลับนามาสการขอบพระคุณพระมหาภัยบุญอภิปุณโญไว้ในโอกาสนี้นะคะนามาสการค่ะ ท, ท่านฝังที่เคารพค่ะและนั่นก็คือ พระมหาภัยบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรนธานีรายการสัส น, นิษฐานดิชันสันสิษฐานนักพงนะคะวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของอินทรีห้าทําให้เราเกิดความมั่นใจว่าจะมีกระบวนการในการที่จะทําให้เราเกิดปัญญาแล้วก็ละวางได้ในที่สุดได้อย่างไรที่สําคัญก็คือเกิดขึ้นได้กับทุกคนขอให้ท่านเริ่มต้นให้ถูกต้องแล้วก็มีความเพียรไปเรื่อยๆกันละกันนะคะ รายการสันสนีสนทนาจะนำสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้มาบอกกล่าวกับท่านพร้อมทั้งให้ท่านฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วไม่ได้ฝึกแบบเคว้งคว้างนะคะมีพระอาจารย์ที่ฝึกให้กับคนมาแล้วจํานวนนับไม่ถ้วนเนี่ยฝึกให้กับท่านเองตั้งแต่ตอนต้นของรายการเป็นการทํากุศลกันในทุกๆวันกับรายการนี้ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอดิฉันสันสนีนาคพงดําเนินรายการนะคะ ติดตามรับฟังรายการกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้พุทธ ว, วัสดีค่ะ